อธิบายเรื่องนี้ง่ายหน่อยที่ขันเอาไว้เรื่องของหมออจินแสดงว่าถ้าความเข้าใจผิดของเราคือเราไปเอาขันห้าขึ้นมาแล้วก็ยึดถือมันจึงทําให้ขันห้าเนี่ยเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นหมออจจินเป็นเราเป็นอะไรขึ้นมา อย่างที่ผมบอกพอเราเอาเครื่องกั้นหรือ p a า t ิชั่นออกแต่ละชาติเอาลื้อออกให้หมดเราจะเห็นว่าความจริงไม่ได้มีอะไรเลยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสมมติว่าเป็นเดราชานแล้วก็เป็นเทวดาเดี๋ยวก็เป็นมนุษย์เพราะอะไรล่ะท่านลองกลับมาดูในหนึ่งวันตื่นมา ه, เบิกบาน ออกไปถึงขับรถบนถนนหุดหงีบรำคาญนะเริ่มเกิดโทสะกับคนบนถนนกับไฟแดงกับอะไรก็เริ่มกอกขึ้นมาเป็นโทสะเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเดรัจฉานแบบโหดๆบ้างนะเพราะว่าเริ่มไม่ใช่คนแล้วตอนนั้นจากนั้นพอเจอใครเจอขอทานเจอใครกำลังลำบากก็บริจาคเงินจิตใจก็เป็นผู้ให้ก็อยู่ในภูมิสุขติจะเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นพรอะไรก็แล้วแต่ เสร็จแล้วก็ทํางานไปแล้วก็หนังจากนั้นก็เหม่อเม่อลอยๆสร้างภูมิของเดรัจฉานหมาแมวไปอีกแล้วก็มุดีรําคาญอ่ะเป็นพบไปนั่นขึ้นมาอีกเป็นพวกเดรัจฉานบ้างเดีย๋ยว่าเออเธออยากกินก๋วยเตี๋ยวจังเลยอยากกินไอ้นู่นอย่างนี่โอ้ยจะไม่รู้ร้านนั้นจะเปิดหรือเปล่ปเาเริ่มอยากอยากนั่งอยู่ก็อยากอะเริ่มสร้างภูมิของเปรตมันจึงกลับไปก ล, บกลับมากลับมากลับไปในแต่ละวันเนี่ยเยอะมาก เอาแค่วันเดียวไม่ต้องมากเห็นวันเดียวก็เห็นทั้งชาติแล้แค่เห็นวันเดียวเยอะขนาดนี้ชาตินี้ยุ่งแ น, น่เพราะขนาดวันเดียวขนาดนี้เลยแล้วลองเอามาขยายสิเอาขยายออกเช้าตื่นมาเบิกบานเกิดเป็นเทวดาเป็นเป็นเทวดาลกันเบิกบานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเดี๋ยวเด๋ยวก็อยู่บนถนนหุดหงิดําคาญปับ๊บระจบภูมนินี้ปับ๊บมันก็เป็นพวก โหดโหดร้ายร้ายหน่อยเสือเสือบ้างนะนักล่าบ้างหรือไม่ก็เป็นสัตว์นรกบ้างทรุนแรงหน่อยถึงขนาดว่าควันออกหูเลยก็เป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกเปกหน่อยอีกหลายชาติอีกหลายปีเดี๋ยวๆก็ผ่าเดินเข้าออฟฟิศเห็นขอทานอาจิตใจป่องใสเบิกบานเป็นเทวดาเลยกตกลงเราเลือกเกิดได้ไหมเนี่ยเลือกได้ไหมครับเลือกได้ ที่ผ่านมานี่เราทำเองหมดเลยแล้วจะมาบ่นใครโอ้ยแล้วเกิดรู้ว่าชาติหน้าเป็นอะไรรู้ว่าชาติก่อนเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปอะไรกับใครแล้วฉันทำเองทั้งนั้นเลยเออให้เห็นอย่างนี้นะครับเห็นอย่างนี้จะเริ่มมีทางออกแล้วง่ายแล้วเพราะคนทั้งหกพันล้านคนไม่เห็นอย่างนี้เขาเห็นเป็นอย่างอื่นทำไมเหรองุนงงแล้วทาไมเหะ ไม่เห็นผิดตรงไหนเลยใครๆก็เป็นอย่างนี้ไม่ีปัญหาเลยก่อนมาท่านก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่ยังไม่ถึงสองวันเลยนะมาเนี่ยถ้าเกิดสัมมาทิฏฐิได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วปรับจิตได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวพอสักพักคงเข้าใจมากมีองค์แปแล้วเริ่มมีโอกาสได้เริ่มลองลองปฏิบัติแล้วกลับไปก็เริ่มปฏิบัติเนี่ยสักพักอบัยภูมิก็ปิด จะไปเดือดร้อนอะไรในเมื่อเรามีต้นแบบอยู่คนหนึ่งนหะที่เป็นไอดอลของเราคือองคุริมานทำมาท่านเยอะปฏิบัติตามมรรคแล้วก็หลุดพ้นไปเลยเป็นพระรหารเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ทำมาขนาดท่านจะกลัวอะไรมีท่านเป็นต้นแบบแล้วก็เดินตามได้เลยแสดงว่าอนุภาพแห่งมรรคนี้ต้องขุนแรงขุนแรงเอาละ เรามาดูประวัติอะไรสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเชื่อมโยงต่อไปกพเราเริ่มเข้าใจเรื่งขันเ อ, อ้าเมื่อกี้ว่าจะพูดเรื่องหมอจินให้จบจะกระโดดไปเรื่องอื่นอีกแล้วทีนี้พอเราเริ่มเอาปาทิชั่นออกเราจะเห็นเลยว่ามันมีแต่ขันที่ว่างจากตัวตนเราไปใส่ตัวตนเองเพราะฉะนั้นจะหมออา จ, จินหรือจะนายราชมันเนี่ย มันมาจากหน่อเชื้อเดียวกันหมดเห็นไหมครับแต่พอเราตั้งคำถามว่าหมออาจินไม่ได้ทำนายราชมันเป็นคนทำมันจึงเกิดเป็นตัวตนขึ้นมาความจริงไม่ใช่หรอกขันมันมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สื่อต่อกันมาเรื่อยๆมันสื่อต่อกันมาเรื่อยๆถ้าเราเอาตัวตนออกเมื่อไหร่เราเห็นสภาพปรมัดเมื่อไหร่ เราเห็นความจริงตามนี้เมื่อไหร่เนี่ยเราตอบข้อสงสัยเกือบทุกอย่างในโลกได้แล้วเราอยู่ในมุมมองที่ถูกต้องแล้วแล้วหลังจากนั้นมันจะเกิดการฟอกการชำระข้างในเพื่อจะเป็นไปตามนี้แสดงว่าคําว่าหมอจินไม่ได้ทําก็มันเกิดการถ่ายกันมาเรื่อยๆเหมือนคบเคพลิงโอลิมปิกคนที่วิ่งคนแรก ต่อไฟให้คนที่สองคนที่สองก็ไม่ใช่คนที่หนึ่งคนที่สามก็ไม่ใช่คนที่สองก็ใช่แต่ไฟมันถูกต่อมากกันเรื่อยๆเนี่แหละที่ใช้คําว่ามีกรรมเป็นเผาพันุ์ล่ะมันสืบต่อสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆขันเองก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดั บ, กดบเกิดการถ่ายทอดของของคบเพลิงของคบเพลิงมาเรื่อยๆคนสุดท้ายที่ไปจ่ออยู่บน กระถางคบเพลิงก็ไม่ใช่คนแรกแต่เห็นไหมว่ามันมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ไฟเนี่ยจะบอกว่าไฟดงที่ไปจ่อที่คบเพลิงเป็นไฟลูกแรกหรือเปล่ามันก็เกิดจิ้เชื้อกันมานั่นแหละจะอันแรกหรืออันไหนก็แล้วแต่มันเป็นเชื้อสืบต่อสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆถ้าเข้าใจอย่างนี้จบหละหลังจากนั้นคําถามต่อไปก็คือว่า ตกลงใครเป็นเจ้ากรรมในเวรเอาแล้วนะมาที่ธรรมะชั้นลึกละ่ะความเข้าใจของคนคือในราชมันข่านักโทษนักโทษกล่าวคำอาฆาตว่ากูจะจองล้างจองผานมันจะตาย ผมถามว่าตอนนั้นนักโทษโ ท, โทสะขึ้นไหมครับขึ้นเต็มที่เลยล่ะแล้วตัวเองกำลังจะตายด้วยกูจะจองล้างจานผังพเราก็ปุ๊บขาดใจตายท่านว่านักโทษไปไหนไปไหนครับอะอะไรนะอบายภูมิใช่ผมว่าถึงสัตว์นรกอารมณ์ขนาดนั้น จะบอกว่าเขาเคยทำเ้าไม่เคยทำอะไรผมไม่รู้ละนะเพราะมันไปลือกันเยอะละมันมาจากหลายเหตุแต่ที่แน่ๆดูวินาทีสุดท้ายก็รู้แล้วว่าไปไหนกูจะจองล้างจองผ่ะโอ้โหอาฆาต พ, พยาบาทขึ้นเต็มจิตเลยโทสะประกอบแบบสุดขั้วเพราะฉะนั้นเอาละเรื่องของเขาจบไปละที่คนนึกว่านี่เจ้าการรมนายเวรรับกรรมอยู่ข้างล่างแล้ว ที่เหลือกลับมาดูขันของในราชมันขณะที่กำลังบีบหัวเขาโทรศาพประกอบสายตาที่เห็นเจตนาที่ทำถูกสังสมก็ไปนในจิตวิญญาณทั้งหมดภาพที่เห็นถูกฝังเป็นนิมิตแล้วการบีบ เกิดเจตนาที่จะฆ่าเจตนาที่จะทำร้ายอย่างเต็มที่ถูกฝังเข้าไปในนี้ไม่หายไปไหนอารมณ์ก็ขึ้นเหมือนกันก็พอกับไอคนที่ตายนั่นแหละอาจจะเพราะเขาด่ามากกูจะจองหลานอ๋อเหรอเอาให้ตายเลยเ น, นั้นคือเจตนาฆ่าเลยเพอป๊อปตายไปสิ่งนี้ได้ถูกฝังเอาไว้ในจิตที่ผมบอกว่า มันถูกฝังไว้ในวิญญาณที่เรียกว่าสุขุมมารูปฝังเอาไว้เป็นกรรมที่จะสืบต่อเหมือนกับคบเพลิงล่ะทีเนี้ยเพราะมันถูกฝังเอาไว้เพราะฉะนั้นทุกๆอย่างที่ท่านทามาเนี่ยมันถูกฝังเอาไว้นี่เนี้ยแล้วก็จะสืบต่อสืบต่อสืบต่อกัอนมาเรื่อยๆหายไปบ้างหมดไปบ้างเพิ่มใหม่บ้างไม่มีที่สิ้นสุด จากนั้นเมื่อนายราชมันตายลงวิญญาณก็เกิดปฏิสนธิขึ้นจากของเก่าที่มีจุดๆๆๆๆเป็นมนภาวะเริ่มค่อยๆสร้างรหัสขึ้นมาใหม่เป็นรูปขึ้นมาใหม่เริ่มตั้งแต่ในท้องแม่ของหมอจินแต่สิ่งที่ถูกฝังไว้ในวิญญาณมีทั้งการเห็นการบีบหัว เจตนาฆ่ามีทุกอย่างที่อยู่ในนั้นมันก็มาก่อร่างสร้างตัวเป็นรหัสที่วันนี้เรียกว่าดีเอขึ้นมามันจึงกลายเป็นรูปของคนขึ้นมาแต่มีข้อบกพร่องตามที่ตัวเองเคยเห็นแล้วก็ทํามาข้อบกพร่องจึงเกิดตั้งแต่วันที่มันก่อสร้างร่างนี้ขึ้นมาข้างในมนุษย์เพิ่งจะเจอ แล้วก็มาพยายามหาทางแก้แต่ก็พอมีกรรมที่แก้ได้ก็แก้ได้ถ้ามีกรรมไม่มีกรรมที่แก้ได้ก็แก้ไม่ได้เขาไม่เห็นเสร็จแล้ววันหนึ่งเมื่อเกิดสิ่งนี้ขึ้นก็ไปโทษเจ้ากรรมนายเวรแต่ความเป็นจริงคืออะไรทันทีที่หมอจีนปวดหัวใครปวดถ้าพูดกันแบบภาษาปรามัดที่เรารู้แล้วคือขันห้าปวด งานนี้หมออาจินยึดขันห้าเป็นของกูถูกไหมครับเวทนานั้นจึงกลายเป็นของหมออาจินทันทีรูปก็เป็นของหมออาจินเวลาท่านนั่งสมาธิปวดเขา่าใครปวดครับกูสิปวดจะใครปวดก็เ <c oughs> พราะกูปวดเนี่ยมันถึงเดือดร้อนใจเนี่ยถ้าไม่มีกูปวดก็เห็นขั น, นเวทนามนก็เกิดๆดดั บ, ดบ ขามันพับอยู่อย่างนี้มันก็ปวดของมันก็เห็นความจริงตามนั้นอย่างเนี้ยปล่อยวางไหมถ้าเห็นอย่างนี้ปล่อยวางไหมแต่ถ้าปล่อยจนกระทั่งปล่อยอุปาทานในขันได้เนี่ยมันจะหมดไหมละทุกข์เพราะถ้าไปสวดมนต์ไม่เท่าสวดการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์การพัดผ่าจากสิ่ ง, ง น, นั้นไปเนี่ว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ แสดงว่าการที่ไปยึดขันทั้งห้าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละที่เป็นหัวใจที่ทำให้เราทุกข์เมื่อไหร่ก็ตามเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะปล่อยความยึดถือออกจิตโง่มันไปยึดขึ้นมาเองแม้แต่ตัวจิตเองยังเป็นธรรมชาติเลยพอมันไปยึดขันนี้ขึ้นมาก็ทุกข์กันสิ ถ้าหมออาจินเห็นความจริงอย่างที่ท่านเห็นตอนนี้แล้วก็ปฏิบัติจนปล่อยวางได้เนี่ยหม อ, อจินต่อให้หัวเปิดหัวปวดหัวจะระเบิดเนี่ยแล้วไม่ยึดเป็นของเราเนี่ยจะทุกข์ไม่ล่ะไม่ทุกข์ผู้จ้าถึงได้ถามสาวกว่าเธอเห็นข้อลากกิ่งไม้ไปเผาไหมเห็นพระเจ้า่้าแล้วเธอเดือดร้อนกับกิ่งไม้ที่ถูกลากไปเผาไหมไม่เดือดร้อนพระเจ้าค่ะทําทไมเธอจึงไม่เดือดร้อนเพราะกิ่งไม้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราพระเจ้าข่า ใช่เมื่อไหร่เธอเห็นขันห้าเป็นอย่างนี้เธอจะไปทุกข์กับมันได้อย่างไรแล้วมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คิดให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ไปคิดให้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่วันที่สังเกตเข้าไปสังเกตเข้าไปวันหนึ่งมันจะโผงขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติแค่นั้นเองมันก็จะปล่อยแล้วมันก็จะหมดทุกข์นะ เอาละมันพูดแต่มันง่ายนะแค่นั่งสมาธิปวดมันก็กลับมาแล้วนี่ขากรูมันเดิมนะเพราะฉะนั้นมันถึงต้องอาศัยเวลาในการถอดถอนบ้างนะครับแต่คำว่าบ้างเท่านั้นกันละ่นะแล้วมันก็อยู่ที่เอาจริงไม่ได้เข้าใจแล้วเห็นปลายทางแล้วกลับไปสักแป๊บก็ต้องกลับมาชาร์จแบตแล้วทำไมไม่ซื้อวอลชาร์จไว้ที่บ้านบ้าง ทำไมต้องมาเสียที่โยบพุทยไนะที่บ้านนี่ไฟอ่ะเอออเขามาชาติแบตชาร์จแบตไฟก็จะหมดแล้วนะชาร์จกันจริงนทำไมต้องมาชาร์จในศูนยะ์ปฏิบัติที่รังหัดซื้อติดไว้ที่บ้านชาร์จที่บ้านไม่ต้องมาชาร์จ ท, ท, ท, นะ ท, ที่นี่หรอกนะชาร์จตลอดแหลนะะชาร์จ ท, ที่บ้านไปเห็นความจริงก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆชาร์จที่บ้านนั่นแหละานานๆก็มาทีนะมาบ้างก็มาอยู่อนะ ใกล้ๆหมู่กลุ่มได้ฟังมันก็ฮึดขึ้นใหม่ทีโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเฮ้ยคราวก่อนไม่เห็นมุมนี้นะคราวนี้เห็นมุมนี้เพราะว่าจิตของท่านก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นอย่างนี้แหละที่คุณแม่บอกว่าพัฒนาสู่ปัญญาและสันติสุขนั่นแหละพอวันหนึ่งที่มันปล่อยได้มันก็สู่สันติสุขนั่นแหละ เพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะเห็นความจริงวันนี้ฟังเนี่ยได้สุดตะได้จินตาจินตนาการเห็นภาพนะโอ้จริงวันนี้มันขันเนี่ยแต่ทาไมความรู้สึกนี้มันไม่ยอมขาดอ๋อมันเกิดมาก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่พบตั้งแต่แรกๆกเอาไว้ถ้ามีเวลาพูดจังคํานี้เพราะว่ากลัวไม่ไม่ได้เปิดเดี๋ยวจะเสียคําพูดท่านจะเห็นไปตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นชีวิต จนถึงวันนี้แล้วก็ไปจนจบแต่ค่อยๆปูพื้นก่อนวันนี้พอถึงขันห้าปุ๊บมันเริ่มพูดกันง่ายขึ้นแล้วเพราะมันเข้าไปสู่เรื่องจริงแล้วเพราะเมื่อก่อนเวลาพูดเนี่ยมันเรื่องปลอมไอ้เรื่องมีเราเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้มันเห็นเรื่องจริงพอเข้าใจเรื่องจริงต่อให้อยู่ในดับสุตตะจินตาก็ยังโอเคมันยังพูดและจินตนาการกันรู้เรื่องวันไหนภาวนาจนกระทั่งมันเห็นจริงเห็นแจ้ง ก็ยิ่งดีใหญ่ถึงแม้จะยังไม่ถอดถอนแต่มันเริ่มเห็นแล้วหลายคนก็เห็นแวบๆบแบบแบบอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่เราอนนเดี๋ยวก็เป็นเราอีกแะ้ะไม่เป็นไรนั่นแหละเส้นทางต้องอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเในบางช่วงก็แปลกๆปุ๊บขึ้นมาหลายคนปุ๊บเดี๋ยวก็ปุ๊บเดี๋ยวก็วักขึ้นมาเรื่อย ๆ, ๆนะก็ั้งอย่างนั้นแหละนั่นแหละถูกแล้วเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยนะจากมันมีถ้ามันมีจุดหนึ่งเดี๋ยวมันก็มีสองจุด พอได้สองจุดเดี๋ยวมันก็ได้สมจุดจะกลัวอะไรล่ะเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาภาพเลียนเดินไปเรื่อยล่ะเดี๋ยวมันก็มีสี่จุดถ้าจุดมันอยู่ติดกันมันก็กลายเป็นเส้นมันก็เริ่มนานขึ้นก็เริ่มว่างนานขึ้นปัญญาก็เริ่มเกิดมากขึ้นขอให้มันเห็นสักเพีนึงก่อนอ่ะเดี๋ยวมันก็จะมีครั้งที่สองสาสี่ห้าหกไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งที่มันตัดสินใจได้ว่าเราเข้าใจผิดแล้วเราถูกหลอกแล้วแล้วมันวางพลั่วตอนนั้นองค์ประกอบทั้งหมด มรคสมังคีมรคเข้ามารวมกันเนี่ยเกิดโลคกุตระมรคขึ้นมาชําระก็ที่เขาเรียกข้ามฝั่งจากโลคกุตระอะเขาข้ามฝั่งจากโลกคกีแค่เขาสู่โลกุตระเดี๋ยวข้ามกลับอีกเนี่ย <c oughs> อ้าวพอนี้อธิบายเรื่องหมอจินแล้วจะได้หมดข้อที่ค้างไว้เดี๋ยวติดค้างกันตกลงอวิชชาอ่าเจ้ากรรมในเวรคือ อวิชชาจิตโง่ที่ไปยึดขันมาเป็นเรานี่แหละนี่แหละอวิชชาตัวจริงจำตัวอย่างที่ผมเล่าได้ไหมครับพระพุทธเจ้ากับคนกินข้าวแล้วก็เจอวิบากเกิดอาหารเป็นพิษแล้วเสียชีวิตในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนกันสเสวยสุธุระมัทวะแล้วอาหารเป็นพิษแล้วก็ดับขันปรินิพานก็คือเสียชีวิตเหมือนกันเหตุการณ์นี่เหมือนกันเป๊ะ ต่างกันตรงไหนเหมือนกันที่รับวิบากเหมือนกันเลยแต่ต่างกันอย่างเห็นชัดเจนคือผู้ชายคนที่ตายนั้นทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ทุกข์ใครทำให้ทุกข์ใครทำให้ผู้ชายคนนั้นทุกข์แต่ทำไมพระพุทธเจ้าไม่ทุกข์เพราะท่านไม่ยึดขันมาเป็นของเราส่วนอีกคนหนึ่งยึดขันเป็นของเราแล้วอะไรเป็นเหตุที่ทาให้ผู้ชายคนนั้นยึดขันเป็นของเราอาวิชชาความไม่รู้ จึงไปเอาตัวตนนี่เอาขันห้าเนี่ยมายืดเป็นของเราส่วนผู้เจ้ารู้แจ้งแล้วเป็นวิ ช, ชาแล้วไม่มีอวิ ช, ชาเพราะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรใครก็ได้ที่ทำให้ทุกข์แล้วใครทาให้ผู้ชายคนนั้นทุกข์อวิ ช, ชาผู้เจ้าไม่มีผู้เจ้ารู้แจ้งเป็นวิ ช, ชาเพราะฉะนั้นจิตโง่ที่ไปดึงสิ่งนี้เข้ามาล่ะที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของทุกคน ถ้าเข้าใจตรงนี้เนี่ยลึกสุดแล้วไม่มีจากนี้อีกแล้วถึงตรงนี้ไม่ต้องถามใครอีกแล้วถึงตรงนี้จบถึงตรงนี้จบเรามาดูเนื้อเรื่องนี้สักนิดหนึ่งทีนี้จะทำยังไงให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราให้เห็นว่ามันเป็นรูปนาม เนื่องจากคุณสมบัติของรูปนามทั้งหมดทั้งโลกเนี่ยมีคุณสมบัตินึงคือมันพยายามจะรักษาสภาพของมันผมเล่าอก่อนที่จะไปถึงตรง น, นี้ผมเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ท่านฟังผมเคยเชิญถูกเชิญไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์หรือสสว ท, ทเนี่ยวันนั้นมีนักวิทยาศาสตร์มาจากองค์การนาซาเขาเอากล้องจุลทศน์ กำลังขยายสี่พันเท่าซึ่งกำลังขยายสูงมากแล้วเขาก็เอาหยดน้ำเป็นน้ำสีเขียวๆจางๆหยดลงไปแล้วเ้าก็บอกให้ผมดูผมก็ดูเขาถามว่าเห็นอะไรผมก็เห็นมันยิบถ้าให้ผมเดาคือผมก็ไม่ได้รู้เรื่องไอ้เรื่องพวกนี้มากอ่ะผมก็บอกว่าเชื้อโรค เหตชืโรคเพราะเห็นมันวิ่งกันไม่หยุดเลยเหมือนกับที่ผมเคยเห็นในทีวีอ่ะมันวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับคล้ายๆเชื้ออะไรไม่รู้อะผมก็ไม่รู้เรื่องผมก็ถามเขาว่าเชื้ออะไรเขาบอกผมว่าสีน้ําผมบอกไอ้น้ำเขียวๆเนี่ยหเหรอเบอกเนี่ยสีน้าที่เด็กระบายผมบอกแล้วสีน้ํามันวิ่งได้ไงทําไมมันเหมือนเชื้อโรคเลยมันวิ่งไปวิ่งมา เขาก็บอกว่านี่แหละที่เป็นปัญหาละเพราะว่าเราให้เด็กนักเรียนท่องกันมาตั้งแต่เด็กปนหนึ่งท่านก็ท่องสิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ได้สิ่งไม่มีชีวิตเคลื่อนที่เองไม่ได้นี่เราเห็นกันจ้องๆเลยว่ามันวิ่งกันอุตลุดหมดมันเคลื่อนที่เองได้ท่านว่าสิ่งที่ผมเห็นสีน้ํำมันวิ่ง กับเชื้อโรควิ่งเนี่ยต่างกันที่ไหนครับเราเรียกเชื้อโรคว่าสิ่งมีชีวิตแต่เราเรียกสีน้ำว่าสิ่งไม่มีชีวิตถ้าผมขยายแก้วนี้ขึ้นมาสี่พันเท่าเหมือนที่ผมเข้าไปดูสีน้ำท่านว่าตอนนี้ทุกๆอ น, นุของมันวิ่งไหมวิ่ง ถ้าผมขยายตัวผมขึ้นสี่พันเท่าเหมือนกันเนี่ยคงอยู่ในยุพุทธไม่ได้แล้วท่านว่าข้างในวิ่งไหมไม่หยุดเลยมันเกิดการดึงเข้าผักออกเพื่อจะรักษาสถานะของมันให้เกิดสมดุลถูกไหมครับไอ้นี่ก็เหมือนกันมันพยายามจะรักษาสมดุลของมันเพราะว่าเหตุปัจจัยเปลี่ยนทุกวินาทีถ้าใครเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะฟังผมรู้เรื่องเลยแล้วจะค่อยๆเข้าไปถึงแก่นละ เพราะท่านเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติแต่นึกไม่ถึงพอท่านเห็นไอ้นี่วิ่งเห็นผมวิ่งข้างในเคลื่อนไหวในระดับอนูนี่เหมือนกันเป๊ะเลยเหลืออย่างเดียวที่ต่างกันคือของผมเนี่ยมีวิญญาณคลองสิงแต่แก้วไม่มีถ้าผมบอกว่ารูปนาม แก้วกับผมเนี่ยเหมือนกันต่างกันนิดเดียวที่ของผมมีวิญญาณมาคลองสิ่งจึงเกิดการรับรู้แล้วดันรับรู้โง่ด้วยไปสร้างกูขึ้นมาอีกมันไปยึดอย่างผมอย่างนี้เรียกแก้วอย่างผมเนี่ยเรียกโอง่ง <c oughs> มันดันไปยึดโอง่ง <c oughs> มันไปยึดโอค์เนี่ยจะบอกแจกันก็ดูจะเพียวไปนิด มันไปยึดโอค์มาเป็นของเราซะจิตพี่นี่หล่ะโง่ไอตัวเนี้ยทั้งๆที่ไอ้นี่กับไอเนี่ยเหมือนกันผมเคยอยู่บ้านแล้วผมพลาดทีหนึง่งเห็นรูปนานงผมบอกคนที่บ้านผมว่าที่ชู่กับคุณเหมือนกัน คนนี้ว่าฉันเป็นทิชชู่ยังดีว่าเขาเป็นนักปฏิบัติเขาไม่กล้าพูดแต่เขาบอกโอ้โหนี่นะมันเหมือนกันรูปนามันเหมือนกันหมดต่างกันที่มันมีวิญญาณครองสิ่งหลืปอปล่โหนี่ลงไปลึกมากเลยในอคอรอสพื้นฐานี ทีนี้การที่จะสังเกตกลับไปที่รูปนามได้เห็นไหมครับว่าถ้าเป็นศัพว์ของคนรุ่นใหม่อย่างเราก็ต้องบอกว่า ม, ม, stable, มันไม่สเตเบิลมันไม่เสถียรทำไมมันจึงไม่สเสถียรเพื่อรักษาสมดุลของมันให้อยู่ให้ได้มันจึงเกิดการดึงเข้าผลักออกของพลังงานของรูปนามของอะไรก็แล้วแต่ตลอดเวลา แบตเตอรี่ทำไมมันถึงเสื่อมลงเพราะมันมีการดึงเข้าผลักออกตลอดเวลามันไหลออกแล้วมันเพื่จะรักษาสมดุลใหม่แล้วมันก็รักษาไม่ได้สักทีมันก็รักษาของมันอยู่นั่น่ะแต่มันก็ทําไม่ได้ทั้งๆที่มันไม่มีตัวตนสภาพที่มันดึงเข้าผลักออกเป็นอันิีจังอย่างเนี้ยมันจึงเกิดเป็นสภาพทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์แบตเตอรี่เนี่ยอยู่เฉยๆก็หมดได้เพราะมันเกิดการแลกเปลี่ยนพลังงาน ออกไปเรื่อยๆดึงเข้าผักออกมันพยายามรักษาสมดุลของมันจึงเกิดเป็นสภาพที่เราเห็นเป็นอนิจจังหลังจากนั้นสภาพอนิจจังเนี่ยเมื่อเห็นอนิจจังเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวที่มันกำลังเกิดอนิจจังยพยายามจะรักษาสภาพให้มันสเสถียรเนี่ยแต่มันไม่มีเคยสเสถียรเลยแต่แม้แต่วินาทีเดียวเนี่ยมันเป็นสภาพทุกข์ที่เรียกว่าทุกขขังแต่ไม่มีผู้ทุกข์แต่ถ้ามีใครโง่ไปยึดสภาพทุกข์จะเกิดเป็นผู้ทุกข์ ก็จะไม่ทุกข์ไงไปยึดของเป็นทุกข์ของสภาพทุกข์มาเป็นของเราก็ทุกข์กระเด็นกายนี้เป็นสภาพทุกข์ไหมครับทุกข์มันอยู่ไม่คงที่มันไม่เสถียรไม่งั้นตั้งแต่เด็กก็อยู่ตั้งแต่เด็กนั่นแหละไม่งั้นปฏิสนธิวิญญาณตั้งแต่แรกก็ไม่โตขึ้นมาจนถึงเก้าเดือนน่ะแล้วจากเก้าเดือนจากวันที่คลอดก็ไม่โตขึ้นมาจนวันนี้เพราะมันไม่เสถียรนี่แหละมันพยายามจะรักษาสภาพพยายามจะสู้แล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆเหี่ยวไปแล้วก็ตายไปหมดสภาพไป มันก็สู้ตายแล้วนี่มันสู้ตายแล้วใครเป็นมะเร็งก็เพราะว่ามันมีสารเข้าไปมันก็สู้ตายร่างกายนี้มันสู้ตายมันจะรักษาสภาพมันให้เสถียรแต่เผอิญไปเจอสารที่มันผิดปกติมันก็สู้ตายมันส่งเม็ดเลือดขาวมันทําทุกอย่างมันสู้เต็มที่แล้วแต่มันสู้ไม่ไหวข้าศึกมันมีกําลังมากกว่าถ้าเราเข้าใจเราก็ช่วยมันบ้างตัดกําลังข้าศึกช่วยเพิ่มกําลังให้มันนะแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆขย่มแล้วก็กลับมาเป็น อีกฝ่ายหนึ่งบ้างแต่ถ้าเราไม่ช่วยมันเลยมัวแต่คิดว่าเป็นเราเรากินแต่ของดีๆใครจะไปรู้เหรอของดีที่กินมันไปเสริมสร้างกําลังให้ใครกันบ้างก็ต้องมาศึกษาทีนี้พอเราเห็นความจริงของธาตุของอะไรแล้วเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจอ๋อมันเป็นอนิจจงเพราะอนิจจ์อ๋อมันก็เลยเป็นสภาพทุกข์วันนี้เราไปยึดของทุกข์มันก็เลยทุกข์นี่ว่ะถ้าเราไม่ยึดมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้โดยธรรมชาติมันเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้ว มันเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะมันมีเหตุดับไปเพราะหมดเหตุเกิดขึ้นเพราะมีเหตุดับไปก็หมดเหตุโอ้มันเป็นอย่างนี้ดีเองนะเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามเริ่มเห็นอนิจจังแสดงว่าเขาเข้าไปใกล้ความเป็นรูปนามแล้วเขากำลังจะรู้แจ้งความเป็นรูปนาม แ, แล้ววันหนึ่งที่เขาเห็นความเป็นอนิจจังชัดๆรับประกันได้ว่าเขาจะละสักกายทิฏฐิได้ อย่าเพิ่งเชื่อผมไม่ต้องเชื่อแสดงว่าที่ได้ยินมาตลอดว่าไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงคืออนิจจงเนี่ยเป็นประตูด่านแรกที่จะเข้าใจทุกขังแล้วก็อนัตตาแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ผลนทุกวันนี้ถ้าใครสูญเสียคนที่รักไปก่อนวัยอันควร แล้วมีคำว่าอ น, นิจจังเนี่ยที่เห็นมาตลอดทั้งการเกิดดับภายในและภายนอกมันเกิดพร่งขึ้นมาเลยว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจริงๆแล้วมันก็วางลถามว่าทุกข์ไม่ก็คงทุกข์แต่ไม่ถึงกับพี่รี้พี่ลายลาพันธ์อะไรเข้าใจได้อะไรเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเกิดขึ้นกับร่างกายเกิดขึ้นกับอะไรก็ตามมันจะเข้าใจได้ เมื่อก่อนมันทำใจไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เข้าใจได้แล้วก็วางใจลงได้เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นขณะที่พระสารีบุตรตอนนั้นยังไม่บวชพบกับพระสชินักบวชผู้นี้มีกิริยาหน้าเลื่อมใสไม่เหมือนนักบวชอื่นๆที่เคยเห็นมาก่อนเราต้องถือโอกาสนี้ก็ไปจัดอาสนะถวาย และปริบัติรอให้ท่านฉันเสร็จจึงค่อยสอบถามว่าเป็นนักบวชสำนักไหนถ้าจะดีข้าพเจ้าชื่ออุปติสระแต่บางทีก็มีคนเรียกว่าสารีบุตรเพราะแม่ของข้าพเจ้าชื่อนางสาลีข้าพเจ้าขอถามท่านนักบวชสักนิดว่าท่านบวชอยู่สำนักไหนใครเป็นอาจารย์ของท่านและท่านชอบใจทาหรือคำสอนของผู้ใด อาตมามีนามว่าพระอัสสชิพระพุทธองค์ผู้ออกบูตรจากสักยวงเป็นศาสดาของอาตมาอาตมาเป็นสาวกและชอบใจธรรมของพระพุทธองค์แล้วพระศาสดาของท่านสอนธรรมอย่างไรบ้างอาตมาเพิ่งบูชได้ไม่นานนักไม่สามารถแสดงธรรมที่ลึกซึ้งแก่ท่านได้แต่จะขอกล่าวให้ท่านฟังโดยยอ่อธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นบนรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเลยเรายังฟังไม่รู้เรื่องเลยบรรลุได้ยังไงเอาไม เออเราติดละครมากไปหรือเปล่าเราถึงไม pues. ่เข pues. ้าใจสิ่งที่ท่านตัดไห้ถึงที่ท่านพูดเอาใหม่เยธรรมมาเหตุภาวะเหตุปปภาวเตสังเหตุตถาคตโตเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนสิ่งทั้งหลายเหล่าใดเกิดมาแต่เหตุพระตถาคตเจ้า ส่งแสดงเหตุของสิ่งเหล่านั้นพร้อมแสดงความดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตุพระมหาสมมาเจ้าตัดอย่างนั้นภาษาดิบุตรมรรู้ธรรมเลยเอาอย่างนี้เราจะเอาประโยคที่ไม่เกี่ยวข้องออกเราต้องวิเคราะห์หลายชั้นกว่าเราจะเข้าใจท่านเอาเหลือแต่ที่จำเป็นสิ่งทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุ ดับไปเพราะหมดเหตุเอาละ่ะคําอื่นเราออกให้หมดนี้ต้องตัดคําท่านอีกนะสิ่งทั้งหลายเกิดมาแต่เหตุดับไปเพราะหมดเหตุพระสารีบุตรเข้าใจตรงนี้ปั๊บบรรลุธรรมเลยท่านคิดว่าคํานี้มาจากอะไรเหรออ น, นิจจังใครก็ตามที่เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายมีเหตุให้เกิดก็เกิด หมดเหตุก็ดับก็เอาพูดให้สั้นลงไปอีกเข้าใจการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ดับวันหนึ่งสูญเสียคนที่รักถ้ามันเห็นอย่างนี้จากข้างในเลยแท้ๆเลยจิตยอมรับแล้วเนี่ยมันจะอืมอันนี้ จ, จริงๆเลยอาจจะยังมีทุกข์อยู่บ้างเพราะว่ายังไม่ได้ละ อ, อุปาทาน แต่ว่าความเข้าใจในระดับแรกเนี่ยทุกหายไปมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นยอมรับแล้วตัวกูหยบาบหยาบอสักยะทิฏฐิมันหายไปแล้วให้เหลือแต่ความยึดถือเท่านั้นเองยึดถือยังยึดถืออารมณ์ยังยึดถือวิญญาณเป็นของเราอยู่แต่ว่าระดับหยาบหยาบเนี่ยเสร็จไปแล้วเพราะฉะนั้นทุกหายไปกว่าเก้าสิบเอร์ซนพระเจ้าถึงได้อ่าอุปมาอท่านเอานิ้วก้อยช้อนเข้าไปที่ ขี้ฝุ่นแล้วก็ถามสาวกคล้ายๆกับว่ามนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ทา่านนี่ท่านเปลี่ยนคาถามใหม่ท่านถามว่าขี้ฝุ่นที่ติดปลายเล็บสลาข้อเทียบกับมหาปตพี อ, อันไหนมากกว่ากันสาวกก็บอกว่ามันเทียบกันไม่ได้อันนี้น้อยมากท่านก็บอกว่าทุกขของโสดาบันเนี่ยเท่ากับขี้ฝุ่นที่ติดปลายเล็บส่วนปุถุชนเนี่ยเท่ากับมหาปตพีนี่ท่านคิดว่าอัตราส่วนมันเท่าไหร่ล่ะพระโสดาบันทุกข์เหลือแค่เนี้แล้วคนทั้งโลกทุกเท่านั้นทุกทั้งโลก เท่าโลกทำไมคนทั้งโลกทุกเท่าโลกอะนั่งๆไปคิดถึงอะไรก็ทุกข์คิดถึงหน้าคนที่รักก็ทุกข์คิดถึงหน้าคนที่เกลียดก็ทุกข์ใครมาย้ายของก็ทุกข์หาอะไรไม่เจอก็ทุกข์ฝนจะตกก็ทุกข์แดดจะออกก็ทุกข์คือทุกๆอย่างโอ้โหพอนั่งที่ออฟฟิศทํางานหันไปดูทำัมจะเริกงาโอโหฟ้าครึ้มเลยอะฝนตกแงะเลยแล้วฝนตกแล้วทําไมอะมันมีเหตุให้เกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับ ก็เปียกกระดิ๊แล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วฝนตกก็โดนตกก็ต้องเปียกดิคือทุกๆเรื่องอ้โหแดดออกด้าแดดออกก็ทุกด้วยคือทุกๆเรื่องอ่ะฉันหายเรียกไปไม่รู้จะว่าไงทุกอยู่และคือทุกๆเรื่องทุกได้ทุกวินาทีโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้รับหุ้ไม่รู้เขาโทรมาเรื่องอะไรเอ้าแล้วถ้าไม่มีเรื่องก็จะโทรไหมล่ะ มันทุกๆเรื่องมันถึงผูชาติถึงได้ตัดว่ามันทุกเท่ากับโลกเลยแต่ถ้ากสวรรค์บาลหายหมดก็ไม่หมดเราเหลืออยู่หน่อยึงแต่หน่อยนี้ก็เยอะแล้วสำหรับพระรรค์บาลที่จะเดินทางต่อเพราะแว่นขยายเริ่มใหญ่แล้วแค่นี้ก็ต้องไปจนถึงผ้าลนะหัน่ะทนไม่ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับมาดูใหม่สิ่งทั้งหลายเราได้เกิดมาแต่เหตุ ดับโดยสิ้นเชิงเพราะหมดเหตความจริงคำนี้ไปถึงพระอาหารหันต์เลยเพราะนี่เป็นสภาพอนัตตาถ้าปล่อยตรงนี้ได้ก็เข้าสู่สุญญาตาเลยแต่วันนั้นเส้นทางเดินของท่านตอนนั้นท่านยังเป็นอุปติสสอยู่ท่านจึงมองเห็นตรงนี้เห็นการเกิดดับไม่ทะลุไปถึงอนัตตาความจริงคำนี้ถึงอนัตตาได้เลย แต่ว่ามันผมนึกว่าธรรมะพูดออกไปคําพูดออกไปเนี่ยร้อยคนฟังก็ร้อยมุมมองบางคนก็เห็นมุมนี้บางคนก็เห็นมุมนี้บางคนก็เห็นมุมนี้บางคนก็เห็นมุมนี้ในวันนั้นสมมติเราเมื่อเดือนที่แล้วเรามาเข้าคอร์สฟังคําเดียวกันเห็นมุมนี้มาฟังวันนี้เห็นอีกมุมหนึ่งอย่างเงี้ยมุมมองก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกระทั่งกว่าจะเห็นมุมมองที่ชัดที่สุดถูกต้องที่สุด เพราะยังคำคำนี้ยสิ่งทั้งหลายเราได้เกิดมาแต่เหตุแสดงว่ามีเหตุให้เกิดก็เกิดหมดเหตุก็ดับมันเข้าถึงสภาพอนัตตาธรรมทุกอย่างว่างจากตัวตนมีเหตุจึงเกิดหมดเหตุจึงดับเนี่ยเป็นรอยต่อที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แค่ว่าท่านไปเห็นมุมของอนิจจังท่านจึงบรรลุธรรมขึ้นมาเป็นพระโสดาบันเลยแสดงว่าภูมิธรรมของพระโสดาบัน เห็นความเป็นอนิจจังการฟังอริยสัจเหมาะสำหรับจิตที่ฟอกแล้วเท่านั้นพิกษุทั้งหลายครั้นนั้นแหลมหาชนชาวพันธุมดีราชธานีจำนวนแปดมืนสี่พันคนออกจากเมืองเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาควิปัสสีถึงที่ประทับนาเขมะนิคตาทยวัน ถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณนาที่ข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาควิปสัสสีได้ตรัสอนุภูพิกถาเดี๋ยวท่านจะ <c oughs> นึกภาพไม่ออกชาวเมืองพันธุมดีแปดหมื่นสี่พันคนไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวิปสัสสีแสดงว่าไม่ใช่ยุค ข, ของพระสมณโคดม แสดงว่าพระพุทธเจ้าของเรากำลังเล่าให้สาวกฟังถึงเหตุการณ์นในอดีตครั้งหนึ่งที่มีชาวเมือง8ปด0 0สี่พันคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นแสดงว่าคงจะมีอะไรบางอย่างที่ท่านต้องการจะไกด์ให้สาวกของท่านเข้าใจท่านจึงเล่าเรื่องเก่าว่ามีแปดหมนสี่พันคนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวิปัสสีถึงที่ประทับ หลังจากทำอภิวาทแล้วก็คือเดินประทับสิลสามรอบการทำความเคารพสูงสุดเวลาคนไปเข้าเฝ้าผู้เจ้าก็คือเดินรอบสามรอบก่อนแล้วก็เข้าไปทำอภิวาทหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ตัดอนุปุพิคถาห้านะครับเป็นธรรมที่ผู้เจ้าจะใช้ปูพื้นฐานคือฟอกจิตใจของคนฟังก่อนก่อนที่จะพูดอริยสัจ เรามาดูกันว่าอนุปุพิกถาห้าคืออะไรแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นกล่าวคือทา น, นกถาท่านเริ่มทา น, นกถาสอนเรื่องการทำทานศีลกถาสอนเรื่องศีลสักกะกะถาอา น, นิสงส์ที่จะได้จากทานและศีล เมื่อคนทําทานก็จะได้อนิสงค์คือโภคทรัพย์คนมีศีลก็จะได้การนับถือยกย่องเชิดชูมีหน้ามีตานะครับผู้คนไว้วางใจเมื่อได้สองอย่างนี้มาแล้วได้ทั้งเงิ น, ไ ด, งนได้ทั้งเกียรติยศได้ทั้งตาแหน่งได้ทั้งหน้าที่เขาก็เริ่มหลงระเริงใช้เงินใช้ทองไปซื้อทรัพย์สิน แล้วก็เพิ่มตัวกูของกูขึ้นไปเรื่อยๆทรงประกาศโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามทั้งหลายผู้คนเหล่านั้นเริ่มเข้าไปยึดติดเสพติดในกามที่ตัวเองได้มาจากพภกทศัพย์แล้วก็ตำแหน่งโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามเห็นไหมครับพวกเราเดินตามทางนี้เลยทำทาน ได้โพกทรัพย์ถือศีลเริ่มเป็นคนดีมีผู้คนนับหน้าถือตาได้ตำแหน่งแห่งหนจากนั้นโทษอันเศร้าหมองต่ำซามเริ่มเกิดขึ้นด้วยการไปอาศัยกรรมทั้งหลายเป็นที่พึ่งเครื่องอำนวยความสะดวกแบรนด์เนมทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปเสพติดยึดเข้ามาเป็นของกูหมดเริ่มเกิดโทษอันเศร้าหมองต่ำสามขึ้นหลังจากนั้นถ้ามีใครมาแย่งตำแหน่ง มาแย่งตำแหน่งมาอะไรกูสู้ตายใครมาทำกับทรัพย์สินของเรากูสู้ตายจะบาปอากุศลอย่างไงกูไม่สนกูต้องปกป้องเสร็จเที่ยวนี้ร่วงล่ะหลังจากนั้นก็ลงนรกละไปต่อไม่ได้ละพอเริ่มทำอกุศลทุกอย่างเกิดพบชาติต่อไปลึกความทุกข์ก็เริ่มก่อตัวแล้วก็ลงต่ํา ไปเริ่มต้นที่ศักนรกแล้วก็ปีนป่ายขึ้นมาใหม่จนกว่าจะได้อัตภาพนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่เอาแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วนะกว่าจะขึ้นมาได้ยังหยงแยงอยู่เลยใครรู้สึกว่าชาตินี้รู้สึกแยงแยงไงไม่รู้นะสอาจจะเพิ่งขึ้นมาฮอาจจะเพิ่งขึ้นมาเสร็จเฮ้ยมันแยงแยงมันไม่อยากทําเลยบาปชั่วนีไม่รู้เป็นไงมันแบบมันเหมือนกับเพิ่งผ่านหยกหยก แต่ถ้าใครรู้สึกแม่อาจหารเขินทำความช่วเลยนะตัวกูของกูมันใหญ่อาจจะอยู่ตรงนี้สักพักแล้วเตรียมตัวแล้วกำลังจะหักแล้ว <c oughs> อีกไม่นานละหักแล้วทาเต็มที่แล้เดี๋ยวชาตินี้เราทำเต็มที่แล้วหักปังแล้วก็ลงข้างล่างเลยแล้วก็ค่อยๆไตขึ้นมาจากใครมีในประสูนยหนึ่งพระเจ้าพระมันเหมือนเหมือนเหมือนเมล็ดข้าวเวลาเราต้มข้าวเวลาเราหุงข้าวไอมเมล็ดข้างล่างเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาข้างบน แต่มันขึ้นบนมันก็หมุนลงไปข้างล่างก็เวียนกันมาอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมครับมันก็จะหมุนเวียนก่อนมันจะสุกทีนี้ไอ้เมล็ดข้าวข้างล่างเนี่ยที่ก้นเนี่ยเกาะจนมาถึงข้างบนเนี่ยท่านก็บอกว่าตอนนั้นมันมีสัตว์นรกที่มันร้องขึ้นมาแล้วก็มีผมจําไม่ได้ละคือพระราชาในสมัยพุทธกาลมันหลายชื่อก็มาถามพระเจ้าท่านก็บอกว่าเออนั่นแ่ะคือมันมีสัตว์นรกอยู่สี่ตน ที่มันเผาขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยแล้วมันขึ้นมาข้างบนเนี่ยซึ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยใช้เวลาสามหมื่นสองพันปีจากก้นหม้อถึงข้างบนเนี่ยที่มันถูกเผาแล้วมันก็ลงอีกสามหมื่นสองพันปีแล้วมันก็ขึ้นมาอีกสามหมื่นสองพันปีมาถึงข้างบนมันก็ร้องแล้วมันก็ลงเ <c oughs> น <ะ S 1> ี่ยแสดงว่าถ้ามาร้องทีนึงก็คืออีกหกหมื่นสี่พันปี <c oughs> มันถึงจะได้ร้องอีกทีหนึ่งนี่คือเสียงของสัตว์มารก ไม่สนุกนะครับขอร้องนะอย่ากโกรธนะท่านคงไม่อยากเราไม่ต้องเรียร้องเรียกผมนะคือผมก็รู้จะไปทำไงรนะ้องก็ร้องโอ้ยแล้วก็ลงไปอีกสามหมืนสองพันปีขึ้นอาใหม่ก็โอ้ยแล้วก็ลงไปใหมนะ่เพราะว่าตอนที่มันอยู่ข้างในมันคงร้องไม่ออกอะมันสาลักมันเผาที่จิต ท่านก็ชี้ให้เห็นโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกรรมมคุณที่เราเห็นประโยชน์แล้วเกินโอ้ยมันดีจริงๆมันเข้าไปยึดติดเสพติดนะแล้วฟังท่านต่อไปและอา น, นิสงส์ในการออกจากกรรมมาถึงอนุปภิกถาข้อที่ห้าคือเนคขมมะท่านบอกพอท่านชี้โทษภัยอันต่ำซามของกรรมทั้งหลายที่ที่มนุษย์ทั่วไปคนทั่วไปเข้าไปยึดติดเสพติดกันอย่างหนักเนี่ยท่านเริ่มชี้ เนคขมั่การพากออกมาด้วยกายก็ดีด้วยใจก็ดีพากออกมาจากมันผู้คนก็เริ่มฟังพระเจ้าก็เริ่มคล้อยตามโอ้จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเนคขมั่นโอ้การเนคขมม่มันจะเริ่มเป็นสุขเพราะว่ามันเริ่มเป็นอิสระและ้วครั้นทรงทราบว่าชนเหล่านั้นมีจิตเหมาะสมอ่อนโยนปราศจากนิวรณ์ร่าเริงแจ่มใสแล้ว ก็ได้จัดธรรมเทศนาซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงเองกล่าวคือพอท่านเห็นว่าคนทั้ง8 4ด0 0สี่พันคนเริ่มมีจิตที่สดใสถูกฟอกด้วยอนุปพพิกถาห้าแล้วเนี่ยท่านก็เริ่มอริยสรรัจแ์เรื่องทุกข์เรื่องสมุทยัยเรื่องนิโรธและเรื่องมรรคเปรียบเสมือนผ้า อ, อันสะอาด ปราศจากสิ่งแปดเปื่อนย่อมรับเอาซึ่งน้ำยอมได้อย่างดีฉันใดท ร, รมาจากสุปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแก่มหาชนแปดหมื่นสี่พันเหล่านั้นณนะที่นั้นเองว่าคนทั้งแปดหมื่นสี่พันพอหลังจากฟังอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยนิโรธมรรคท่านทราบไหมครับว่าสตัวที่ท่านท่องมาตั้งแต่เด็กเนี่ยทุกกับสมุทัยเนี่ยเป็นการเกิดนิโรธกับมรรคเป็นการดับผู้เจ้าถึงได้กลัดว่าทำทั้งหมดของเราเนี่ยแค่บอกว่าทุกเกิดเพราะมีเหตุ จัดการเหตุก็ดับอริยสัจสี่ทั้งหมดถ้าจะให้ย่อให้สั้นที่สุดคือทุกเกิดแล้วก็ทุกดับมีแค่นี้เลยแล้วลองฟังมหาชนแปด0มสี่พันคนว่าอะไรเกิดขึ้นวินาทีนั้นพวกเราฟังอริยสัจทุกสมุทัยนิโรธมากมาไม่กระดิกเลยนะครับไม่เห็นเกิดดับอย่างพวกเขาเลย สิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคนทั้งแปด0 0ื่นสี่พันคนเห็นเหมือนกันโล่งขึ้นมาจากจิตข้างในเลยสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันชนเหล่านั้นมีทำบันเห็นแล้วบัรลุแล้วรู้แจ้งแล้ว อย่างเอาได้ครบถ้วนแล้วหมดความสงสัยปราศจากความเครือบแคลนถึงความกล้าหาญไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนแห่งศาสดาตนได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาควิปัสสีว่าไพร่ละนักพระเจ้าข่าไพร่ละนักพระเจ้าค่าเปรียบเหมือนการไหนของที่คว่มอยู่เปิดของที่ปิดอยู่ บอกทางให้แก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจาักได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้นดังนี้แปด0มืนสี่พันคนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพร้อมกันอือหือแปดหมืสี่พันคนนี่เต็มท้องสนามหลวงแล้วมั้งผมว่าเนะ แต่คำถามที really to to ่คนมาถามผมแล้วผมไม่ตอบแน่นอนคือพระพุทธเจ้าใช้เครื่องขยายเสียงหรือเปล่าไปนน่นเลยผมก็ไม่เห็นจากพระไตรปิดกเลยสงสัยไปก็คงสงสัยได้แหละขนาดร้อยกว่าคนยังต้องพูดผ่านไมเลยถ้าแปดหมือนสี่พันผมไม่ทราบถ้าผมตอบก็ผมมั่วละ ถ้าผมตอบคือต่อไปนี้ไม่ต้องฟังผมอีกเลยแสดงว่าอาจารย์มั่วเรามาดูสองเคสสองกรณีเหมือนกันภาษาดิบุตรเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นธรรมดาค น, 8, 000, 000คนแปดมืนสี่พันคนหลังจากฟังอริยสัจเห็นเหมือนกันเลยสรรพสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเพื่อให้มั่นใจ เรามักจะมีทุติยมปีและต้องมี ต, ตัตยยมปีเอาอีกสักอันท่านจะได้รู้ว่าอา น, นิจจังสำคัญขนาดไหนอย่านึกว่าโอ้ยอา น, นิจจังเรียนมาตั้งแต่เด็กแล้ะฟังทำมาเรื่องอา น, นิจจังไม่ต้องมาพูดเลยรู้หมดแล้วรู้หมดทำไมยังทุกข์ขาขาดพวกนี้ทุกข์ไมเนี่ยทุกข์ดิโน น, น, น, นนั้บอกเห็นอนิจจังไห เรามาดูกันหน่อยครับทำชาิมาให้ดูด้านซ้ายสิบห้าข้ามเดือนหกเราทราบันดีเป็นวันวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้าตรัสรู้คอสนี้มีหมดนะปริยัติปฏิบัติทำชั้นลึกชั้นตื้นพุทธประวัติมากันหมดนะมีการ์ตูนด้วยนะระดมสมองจริงๆท่านตรัสรู้อะไร สศวรรษศตส์่เอาละทุกคนรู้ได้ยินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุกสมุทยนิรวดมรรคก็รู้หมดนะครับจากนั้นใครไปพูดทัคยาเคยใครใครเคยไปอินเดียเนี่ยจะเริ่มรู้แล้วว่าโอ้พวกท่กาเจ้าก็อยู่ที่พูทัคยานะ่บริเวณต้นโพนั่นอนะ่ะอีกเจ็ดสัปดาห์เจ็ดสัปดาห์ก็คือสี่สิบเก้าวันอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไปเรื่อยถ้าใครเคยไปก็จะเห็นจุดต่างๆที่ท่านอยู่ ก็แปลว่าหลังจากตัดสรู้สิบห้าข้ามเดือนหกอีกสี่สิบเก้าวันเป็อีกเดือนกว่าแล้วเราก็รู้ต่อไปว่าสิบห้าข้ามเดือนแปดเป็นวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระองค์แสดงปฐมเทศนาครั้งแรกที่ป่าสิปัตนมะมฤคทายวันแปลเป็นภาษาไทยก็คือป่าที่กวางชอบอยู่แล้วทำไมปัญจวครีชอบไปอยู่เพราะว่ากวางชอบไปอยู่แถวนั้น ปัญจวัคคีย์ก็เลยไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นสมัยที่ทิ้งพระองค์ตอนที่ท่านเริ่มทําทุกร ก, กิริยาเห็นว่าโอ้กลับมากินข้าวแล้วหมดความเพียรแล้วไม่เอาดีกว่าคงไ ม, ม, ม่มีปัญญาจะตัดสรู้แล้วแบบนี้ก็าพากันทิ้งท่านหมดเลยพระองค์ก็เริ่มอยู่คนเดียวก็เริ่มค่อยๆจนกระทั่งถึงวันตัดสรู้ทีนี้แปลว่าจากวันตัดสรู้วิสาขาถึงอาสารหะหกสิบวันโดยประมาณคือสองเดือน 49บเก้าอยู่ที่ต้นโพเลืออีก1สิบเอ็ดคงจะเดินทางมาล่ะมาที่ ป, ป่ายิสิัฒนะจนกระทั่งมาพบกับปัญจวคีในส่วนรายละเอียดของธรรมจักรเราจะเอาไว้พูดกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้เย็นหรือมาลือนนี้เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนะครับเพราะในส่วนนี้จะชี้ความสำคัญอะไรบางอย่างที่สำคัญมากชาวพุทธไม่มีใครรู้จักเลย สิ่งที่ซ่อนเอาไว้หรือสิ่งที่เป็นความหมายสำคัญที่อยู่ในธรรมจกักเพราะถึงวันสิบห้าคเดือนแปดไปพบปัญจวคีผมจะยังไม่พูดอะไรมากแต่จะไปเร็วๆแล้วเราจะไปพูดรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งอีกวันสองวั น, ข, น, นข้าพเจ้าพระน์เทละก็คือแสดงว่าในธรรมจักเนี่ยพระ น, นเป็นคน เริ่มต้นพูดในพิธีสังขยาพระเจ้าที่ชี้อันนี้ผมจะพีคคร่าวๆให้ท่านเห็นก่อนทางสุดตรงสงสายอันบันประชิตไม่ควรเสกท่านเรียกปัญจวัคคีมาพูดหนึ่งทางสุดตรงสายแรกคือกรารมลสุขานิการุโยกการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยกามเห็นไหมครับไอ้ที่เรายึดติดทั้งหลายอยากเป็นอะไรก็เป็นอยากกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําเนี่ยที่เราว่าเป็นอิสระดูคําที่พระเจ้าตรัส เป็นธรรมอันเลวเป็นของชนชั้นปุถุชนเป็นของผู้มีกิเลสหนาอนาิโยเนี่ยจริงๆแปบลบว่าไม่ใช่ของพระอริยเจ้าไม่ประกอบด้วยประโยชน์แสดงว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราหลงไหลนักหนาเนี่ยโดนทั้งตีแบบ ท่านบอกปัญจวัคคีย์เลยพวกเธออย่าได้เข้าไปยุ่งเนี่ยเป็นของชนชั้นปุตชนเป็นของต่ำทรามที่หลอกให้คนยึดติดเปล่าๆ ป, าปี้ปี้ไปอย่างนั้นเองเสียชีวิตเปล่าๆไปชาติหนึง่งอีกข้างหนึ่งคืออัตตกิลมัฐานุโยโคโ ก, การทรมานตนเราต้องนึกภาพว่าในสมัยนั้นเนี่ยผู้คนพฤษีชีภัยทั้งหลายทรมานตนกันเพื่อจะหาทางออกจากทุกข์ซึ่งท่านก็บอกทานสุตรงสายนี้ก็ไม่ใช่ จากนั้นท่านเลยบอกเลยว่าปัชชิมาปฏิปทาคือทางให้สู่พระนิพพานคือทางสายกลางนั้นนะ่ะคืออะไรที่จะทาให้เกิดดวงตาเป็นไปเพื่อความสงบระงครับเป็นไปพร้อมเพื่ อ, อนิพพานเห็นไหมครับทางสายกลางคือมรรคมิวงแปดยังไม่ได้พูดถึงอริยสัจเลยนะ เริ่มต้นลองนึกดูนะครับมหาบุรุษผู้สั่งสมบา ร, รมีมาเสียสงไขยแสนมหากรตรัสรู้เมื่อสองเดือนที่แล้วครั้งนี้คือการที่ท่านจะพูดให้กับโลกฟังเป็นครั้งแรกพระธรรมครั้งนี้จึงยิ่งใหญ่มากเป็นการประกาศธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าเลยเป็นการพูดครั้งแรกให้โลกนี้ได้ยินโลกจะได้ยินได้ฟังธรรมะในครั้งแรกของผู้ที่สั่งสมบา ร, รมีมาจนตรัสรู้ มาถึงบอกเลยสุดตรงสายแรกติดในกามสุดตรงทางขวาทรมานกายทางสายกลางเป็นทางเข้าสู่ดิพานทางสายกลางคือมักมีองค์แปดม้วนเดียวเลยนะครับยังไม่ได้เล่าอริยสัจสี่เลยเดี๋ยวเวลาท่านสวดธรรมจกักท่านจะเห็นเลยครูบาอาจารย์หลายท่านในยุคนั้นก็ ทำไมท่านไม่พูดอริยศัสตร์ไปเฉลยเนี่ยทำไมบอกมักมีองแปดก่อนแล้วเดี๋ยวถึงจะมาบอกอริยศัสตร์ทั้งหมดก็ทําไม่เดินตามมักจะรู้แจ้งอริยศัสตร์ไม่ะจึงทำให้ผู้ที่เดินทางหรือผู้ที่เริ่มเดินเข้าไปใกล้ๆเริ่มชักสงสัยเฮ้ยแลววันที่ท่านตรัสรู้การอาศัยการตรัสรู้จะต้องมีมักมีองแปดเป็นเส้นทางเพื่อจะตรัสรู้ วันนั้นไม่มีอ่ะวันนั้นไม่มีมัคเพราพระพุทธเจ้าตัดสู้ได้อย่างไรมัคมีองค์แปดมาในอริยสัจสีตัวสุดท้ายท่านเกิดนิโรธแล้วท่านจึงมาเห็นมัคท่านเอามัคมาเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่การตัดสู้ได้อย่างไรมัคไม่เคยมีมาก่อนตรงนี้จึงเป็นที่มาของคำว่าอารหาันตสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ผูตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งไม่มีทางที่สัตว์โลกจะทําได้เลยพวกเราทั้งหมดจึงเป็นมักคานุกคาผู้เดินตามมักนี่แหละครับคือที่มาของชื่อหลักสูตรพวกเราทั้งหมดคือผู้เดินตามมักพระหันทั้งหมดตั้งแต่องค์แรกคือท่านโกนธั ญ, ญะคือผู้เดินตามมักลงมาทั้งหมดมีพระองค์ พระปรมศาสดาองค์เดียวที่ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเอาละ่ะประเด็นของผมยังไม่ใช่ตรงนี้ละ่ะอันนี้เราไว้พูดกันตอนธรรมจักพอมาถึงจุดที่ท่านเทศไปจนจบประมเทศนาจนจบช่วงท้ายท่านบอกว่าภาพภิษูปันเจวคีมีใจเพลิดเพลินยินดีในพาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อวยากนอันภาพผู้มีพระภาคเจ้าตัดอยู่จากสุในธรรม ปราศจปราศจากธุลีปราศจากมนลถินได้เกิดแก่ภิกษุปัญจวคีว่าอ่านนะครับท่านโกนธัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในวันนั้นเพราะประโยคนี้พุ่งขึ้นในใจไปเปิดพระสูตรได้นะครับเพราะนี่ผมคัดมาจากธรรมจาจา ก, กบปวันสูตรทุกกรณีเห็นหรือยัง ผู้ที่เข้าถึงความเป็นโสดาบันรู้แจ้งอนิจจังทุกกรณีเลยแสดงว่าโล่งขึ้นมาแบบเห็นตรงๆเลยวันที่นางปตาจาราล้างเท้าเธอล้างเท้าเสร็จน้าบางอันก็ไหลสั้นบางอันก็ไหล ก, กลางๆบางอันก็ไหลา ย, ยาวโอ้บางคนก็ตายตอนเด็กบางคนก็ตายตอนกลางคนบางคนก็ตายตอนแกเห็นถึงความไม่เที่ยงของชีวิต วางเลยข้างในเข้าถึงพระโสดาบันเลยทุกกรณีครับส่วนใครที่เห็นไปถึงอนัตตาเลยก็ยิ่งใกล้ความเป็นพระอรหันต์เข้าไปเรื่อยๆเอาละในช่วงเบรคนี้จบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็หกโมงครึ่งนะครับให้เวลาท่านมากขึ้นนิดหนึ่งแพอปล่อยช้าหกโมงครึ่งเรามารวมกันสวดมนต์ฟังธรรม ปฏิบัตินะกราบพระด้กัน